อ่ึกันแล้วเนาะจะทดีเิดไีนเดี๋ยวตาตามไปกันอ่เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเริ่มเลยอาจารย์อะระหังสมาสมุทโธบาคาวาโอทังบาควันตังอภิวาเทสาว มังนัสสัมิสุภิกันโนภาคาวะโตสาวกสังโสังฆังนามิตนโมตัสสะบาควะโตอราหะโตสมมาสมุทัสสนะ ตอนนี้ก็เข้าในช่วงเที่ยงครึ่งนะเอาวันนี้ก็จะต่อในคือในหลักก็คือต้องไม่ลืมว่าตอนนี้เราเรียนสติปัฏฐานอยู่ในสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าตรัสเขาไว้เนี่ยนะแต่บางเออ น, นยุคเราเราก็คือจะเอาสูตรสูตรเดียวมาว่าโดยโดยหลักเลยก็จะจะยังไม่ค่อยควบคุมเท่าไหร่นะ พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ที่บอกว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายทางนี้เป็นวิถทางอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและก็ความร่ําไรลําพันธ์เพื่อความดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยายาธรรมยายาธรรมนี่คือบรรลุอริยมรรุเพื่อกระทําทพระนิพพานให้แจ้งนิพพานของพระโสดาบันพระสกท า, าคาพระนาคาพระอรหันต์ใช่ไหม นิพพานของพระบจเจกับพระพุทธเจ้านิพพานของพระพุทธเจ้าใช่ไหมสภาพของว่านิพพานทีท่านบรรลุนั้นเวลาในการกระทําต่างกันเหตุปัจจัยต่างกันใช่ไหมก็แยกโดยประเภทของกัวกันไปทีนี้พอพูดถึงในเรื่องตรงนี้ก็เลยไปพูดถึงในเรื่องของคําว่ารู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความรู้ของเธอนั้นจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหม แล้วก็ในกรณีที่บอกว่ารู้จักสัมมาสังกปะว่าเป็นสัมมาสังกปะรู้จักมิจฉาสังกปะว่าเป็นมิจฉาสังกปะความรู้นั้นถึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิใช่ไหมสัมมาวาจาก็ต้องรู้ว่านี้เป็นสัมมาวาจานี้เป็นมิจฉาวาจาความรู้นั้นถึงจะเป็นถึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิการงานก็ต้องรู้ว่านี่นะสัมมากรรมันตะใช่ไหม การกระทําทางกายานี้เป็นสมารกรรมตานะอันนี้เป็นวิชากกรรมตานะต้องเข้าไปรู้การรู้ในที่นั้นคือละนะ้าเนาะล้าวิชากกรรมตาเพื่อจะเข้าถึงสมารกรรมตานะอย่างนี้เป็นต้นนะความรู้ในลักษณะนั้นจึงจะเป็นสมาธิฐิแล้วก็สมมาว า, ามะสมาอาชีวะสมมาวายามะสมาสติก็จะเป็นไปในทํานองเดียวกัน ในสูตรนั้นท่านตั้งสมาสมาธิเป็นอริยะเข้าไว้ใช่ไหมแต่โดยหลักการก็คือว่าสมาธิที่ต้องรู้ว่านี่เป็นมิจฉาทิฏฐินะเออมิจฉาสมา ธ, ธินี่เป็นสมาสมาธินะี่นี่โดยหลักตรงนี้เรากําลังมาศึกษาในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิอยู่มเมื่อเช้าก็พูดในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิเข้าไว้ในบรรด า, ามิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าพิสูจนทั้งหลาย เทวดาและมนุษย์ผู้ถูกทิฏฐีสองอย่างกุ้มรุมแล้วนะพวกหนึ่งก็ติดอยู่พวกหนึ่งก็เล่นเลยไปคือจริงๆท่านกล่าวเรื่องทิฏฐิทั้งหมดเนี่ยนะกล่าวไว้ค่อนข้างมากค่อนข้างมากก็คือว่ากล่าวอย่างนี้ในหลักแห่งการกล่าวเนี่ยท่านจะกล่าวในเรื่องของบรรดามิจฉาทิฏฐีบอกว่าอาศาทะทาทิฏฐีก็มีนะที่พูดถึงในเรื่องของ ดูการภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์เนี่ยถูกทิศทีสองอย่างกุ้มรุมแล้วพวกหนึ่งก็ติดอยู่อีกพวกหนึ่งก็แล่นเลยไปส่วนผู้มีจักสูรก็ย่อมเห็นอยู่คือเห็นมีปัญญาจักสูรเป็นต้นนะพิสูจทั้งหลายก็เทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งก็ติดอยู่อย่างไรพิสูจทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ผู้ชอบพบยินดีในพบบันเทิงอยู่ในพบจิตของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นก็ไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งไฟไม่น้อมไปในการที่จะฟังธรรมที่เราแสดงเพื่อความดับพบ กกลุ่มการ ม, มาสุ ข, ขาริการโยค ก, กลุ่มที่มีพวกตันหามีทิฏฐิในการยินดีติดใจในรูปแสงกลิ่นรสเป็นต้นแล้วก็ยินดีติดใจในพบบคุคคลเหล่านี้จะไม่เลื่อมใสจะไม่ตั้งมั่นไม่น้อมไปในการที่จะฟังทำที่เราแสดงเพื่อความดับพบเราในที่นั้นคือพระพุทธเจ้า เวลาพระธรรมของพระบรมศาสดาที่อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่รู้กี่ยุคไม่รู้กี่สมัยในสังสารวัฏที่ผ่านมาเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราไม่เรามีทิฏฐิเราจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดา ห, หรือเป็นอะไรเนี่ยในเดิมากเราก็ไม่เลื่อมใสในยุคก่อนๆไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไม่ทํากายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมในการที่จะน้อมในการที่จะเข้าไปฟังธรรมที่พระบรมศาสดาแสดงไปเพื่อความดับภพ แล้วก็มายินดีพอใจในกามาพบในรูปพบในอรูปพบยินดีในตาหูจมูกเล่นกายใจยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผลิภัณฑ์และธรรมอารมเสี้ยพระเจ้าแสดงธทำอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเราก็กลายเป็นผู้ละเลยเพราะกลายเป็นผู้ที่ติดแล้วก็ยินดีติดใจในพบสีนี่ น, นี่คือโทษนั้นประการหนึ่งเิกสูตทั้งหลายทเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งย่อมแล่นเลยไปอย่างไร เทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งก็ย่อมอึดอัดละอาเกียรติชังพบย่อมยินดีความปราศจากพบพวกชาวเราเอ๋ยได้ยินว่าเมื่อใดตนแต่กายแตกไปแล้วย่อมขาดศูนย่อมพินาศกลุ่มเหล่านี้ก็เลยไปสู่เป็นอุเฉธาทิฐีเห็นไหมว่าท่านแสดงในส่วนของสัตสตาธิถีและอุเฉธาทิถีก็ไว้พวกสัตสดาทิฐทั้งหลาย ก็พยายามชักจูงพยายามประกาศบอกบอกว่าพบเนี่ยดีพบเนี่ยมันมีพบเนี่ ย, ม, ม, ยมันเที่ยงอะไรต่างๆจะบอกว่าเที่ยงทั้งหมดหรือบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงที่เราศึกษากันมาเนี่ยในด้านของทั้งสัตววารธาทั้งเอกจัจษสัตววารธาเป็นต้นก็บอกว่าเบื้องไ้ากลุ่มนี้กลุ่มอุเฉีทวารธาเขจะบอกว่าเบื้องหน้านแต่ตายเพราะกายแตกย่อมไม่เกิดอีกเพราะฉะนั้นความไม่เป็นอีกนี่ละเอียดประณีต ภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งก็เล่นเลยไปอย่างนี้เพราู้พระพุทธภิกษุทั้งหลายก็ส่วนภิกษุผู้มีจักษุเป็นอย่างไรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้คือ พ, พระโสดาบันพระสกทาคาพระนาคาพระอรหันต์ถ้าเป็นกัลยาณูปุตชนผู้ฟังทำรรรรศึกษาทำวิจัยขันธะดยตนาสัจใจอินรียปฏิจจ์ใช่ไหม แล้วเขาฉลาดในอาคมเพื่อจะเป็นปัจจัยการบรรลุอธิคมอาคมในที่นั้นเป็นชื่อของปริยัตเป็นชื่อของพระธรรมเป็นชื่อของสติปัญญานเป็นต้นภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้เห็นพูดผู้ตัสสับในที่นี้แปลได้หลายอย่างแต่ในที่นี้แปลว่าขันห้าเป็นต้นหมายถึงรูปขันเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณเห็นพูดโดยความเป็นพูดเห็นขันโดยความเป็นขันจริงๆอ่ะ เห็นรูปขันโดยความเป็นรูปขันเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยความเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามความเป็นจริงเห่นไหมไม่ได้เห็นพูดล่วงเลยไปจากพูดเห็นปัจจาลักษณะของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามความเป็นจริงด้วยเห็นอันนี้จะลักษณะทุคลักษณะนาตลักษณะแล้วก็เห็นอสุภะของขันตามความเป็นจริงด้วยย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อนายกลุ่มนี้เพื่อเบื่อนาย นี้พิทายานาทีนวิท ย, ยานก็จะเกิดขึ้นกับเขาแล้วก็จะฏปบัติไปเพื่อคลายกำหนัดใช่ไหมคลายกำหนัดเป็นชื่อของเวลาคาทั้งหลายเพื่อดับอะไรเพื่อดับภูตดาตัวนั้นแหละก็ดับผู้ตัวนั้นแหละก็คือเป็นไปเพื่อการดับเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจริ ง, รงๆแล้วก็ไม่น้อมไปในการที่จะเข้าไปยึดเอาขันรูปเวทนาสัญญาสังขารใหม่ขึ้นมาบริหารก็มาจัดการดูแลอีกแล้วไม่ใช่เข้าใจผิดด้วยเข้าใจถูก สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเมื่อเป็นผู้ที่จะต้องเง็นหน้ามองาศาสดาหรือเหยนหน้าคอยาศาสดาหรือเหยนมองดูาศาสดาเรื่อยๆเนี่ยบางทีก็ไปตั้งมิจฉาทิโมก์เขาไว้ไปตั้งไว้ในภาษาศาสดาที่ผิดพลาดพอไปตั้งไว้ในผิดที่ผิดพลาดบางครั้งตั้งไว้ในภาษาศาสดาที่ถูกนี่แหละแต่ไม่เห็นอริยคุณของท่าน ไม่ใช่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าสุนัขบ้านสุนัขจริงจอกหรือว่าสัตว์ป่าสัตว์บ้านทั้งหลาย้ที่เป็นอบยายสาตัตว์สตัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเห็นพระพุทธเจ้ากันมาเยอะแต่อย่างนั้นชื่อว่าไม่เห็นอริยคุณของท่านไม่เห็นสติปัฏฐานเป็นต้นเห็นไหมการเห็นในลักษณะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัส บ, บอกว่าวัคคารีเอ๋ยเธอไม่ได้เห็นแต่ถาคต ใชเพราะเธอไม่ได้เห็นอริยะคุณของท่านฉะนั้นท่านไม่ได้หมายอาการเห็นด้วยตาเนื้อนั้นต้องเข้าใจปฏิปทาของพาริยะท่านว่าปฏิปทาของพาริยะท่านนั้นเป็นอย่างไรตรงนี้นี่แหละถ้าหาบุคคลที่เห็นตามความเป็นจริงบุคคลเหล่านั้นก็จะไิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับพูดภิกษุเหล่านั้นนะภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุผู้มีจักษุย่อมเห็นอยู่อย่างนี้ท่านสรุปในพระคาถาบอกว่า ภิกษุใดเห็นพูดโดยความเป็นพูดแล้วก็คือเห็นรู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาในความเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาแล้วย่อมน้อมใจไปในธรรมตามที่เป็นจริงก็หมายความว่าสลัดมิจฉาทิฏฐิออกได้อะไม่ยึดถือมิจฉาทิฏฐิที่เล่นเลยออกจากความเป็นจริงไปล่วงเลยออกจากความเป็นจริงไปเพื่อหมดสิ้นแห่งภาวะตัณหาเป็นต้นภิกษุนั้นกําหนดรู้อะไรกําหนดรู้ภูตานี่แหละ กำหนดรู้รูเปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ต้องมาถามเราดูใช่ไหมใช้อะไรไปกําหนดรู้ใช้สมาธิฏฐิสัมมาวยามะสัมมาสติเนี่ยเป็นตัวกําหนดรู้ไปใครครวนไปพิจารณาถามว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเรากําหนดพูดไปได้กี่พูดกําหนดรูเปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้กี่ขันเนี่ยใช่ไหมบางทีเนี่ยไม่พ้องไม่ต้องพูดเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันต์ตัวเองก็หลงหล ง, ลงลืมๆกันไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหม ยิ่งขันที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วเนี่ยเราเคยกําหนดไหมวิปัสสนาญาณเนี่ยหรือมันเห็นการแตกดับเฉพาะแต่ขันของเราหรือขันของคนอื่นไม่เห็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าไม่กําหนดพูดตามความเป็นจริงเพราะความจริงของพูดห ร, รือของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณตามความเป็นจริงนั้นอ่ะไม่ใช่ว่าเออรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณของเราก็ไม่เที่ยงของค น, คนอื่นก็คงเป็นอย่างนี้ละมั้งเนี่ยไม่ใช่แค่มั้งอย่างนั้นใช่ไหม มันต้องวิจัยกระจุยเลยนะพิปัญนาญาเนี่ยมันต้องวิจัยจนว่าไม่เป็นที่ตั้งของตัณหามณะที่เถี่ยนมาพูดไม่รู้เล่นรือจริงนะแต่จริงๆเิที่เอามาพูดจริงนะก็หมายความว่าี่มองคนยังเป็นคนอยู่ไหมม า, มาพูดกันาดนั้นเลยนะใช่ไหม เออมองแล้ววิจัยจนเห็นว่าในความเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ไม่หลงในบัญญัติหนึ่งไม่ใช่พอวิจัยเบียดเสร็จแล้วเลยปฏิเสธเลยนี่ไม่ใช่ลูกเราอันนี้ไม่ใช่แล้วอย่ทีนี้มันไม่ใช่ปัญญาไปวิจัยแล้วใช่ไหมเขาวิจัยแล้วเขาก็เข้าใจเข้าใจบัญญัติของทางโลกเข้าใจสมมุติบัญญัติที่เขาใช้กันเพื่ออะไรอย่างไรแล้วก็ไม่ลุ่มหลงไม่ยึดติดในบัญญัติเหล่านั้นไม่ฟูมไฟล์ใช่ไหม ถ้าต้องการอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิดหรือครูบาอาจารย์ของเราปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิดเนี่ยก็ไปดูในฉะวิโสธนสูตรในมัชฌิมนิกายมาเนี่ยในมัชฌิมนิการมัชฌิมานิกายมาันะมชฌิมานันมาตนะเป็ น, น ต, ต้นเนี่ยไปดูตรงนั้นว่าเขาจะตรวจสอบให้ดูว่าตรวจสอบอยังไงไวต้ตรวจสอบตัวเองก่อนน ะ, ะอย่าเพงไปตรวจสอบคนอื่นแต่ไม่ต้องตรวจสอบอาตมา พ่ออาตมา ย, ยังไม่ได้บรรลุใช่ไหมเนี่มันมีหลักตรวจสอบอยู่ในคําสอนเนี่ยเขาตรวจสอบหกอย่างว่าไปเลยไล่ปุ๊บปุ๊ปุ๊ไปเล ย, เลยมันจะได้รู้มันจะได้เปิดม่านตาออกใช่ไหมว่าอ๋อหนีเป็นอย่างนี้ปฏิปทาของพระพิฆาเป็นอย่างนี้ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วเป็นสาวกของท่านจริงๆเนี่ยนะเป็นศิษย์ของท่านแล้วเนี่ยท่านวางไว้หมดรูปแบบละเอียดละออ ทั้งความงามในเบื้องต้นท่ามกลางในที่สุดแต่เราตั้งจิตในการศึกษาว่าทำนั่นถูกไหมเนี่ยตรงเนี้ยนะถ้าไม่ถูกเนี่ยกลับไปตั้งใหม่ใช่ไหมถ้าถามว่ามันสายไหมก็มันสายมาตั้งหลายแสนกลับแล้วก็พระเจ้าผ่านมาตั้งไม่รู้กี่ล้านองค์แล้วเนี่ยใช่ไหมเจ้าจะว่าสายมันก็สายไปไม่รู้จะสายตั่าไหรใช่ไหมแต่ว่ามันตั้งหลักเดียวนี้ได้ใช่ไหม ที่นี้บอกตั้งหลายครั้งแล้วนะที่จริงไม่ควรจะบอกบ่อยๆจะไหมะถ้ามีคนใหม่มาน่าจะบอกนี่คนเก่าเท่านั้นเนี่ยนะนะสรุปแล้วก็คือตั้งเนะตั้งให้ถูกเสียงกนะำหนดรูปภูตะแล้วก็เป็นผู้ปราศจากตัณหาในภพน้อยและภพใหญ่ก็หมายความว่าทำความยินดีพอใจให้ในภพให้หมดไปจริงๆ ให้หมดไปจริงๆนะไม่ใช่หลอกกันนะไม่ใช่โอ้เบื่อหน่ายเหลือเกินเนี่ยแต่ปฏิปทาไม่ใช่เบื่องเนี่ยใช่ไหมบางคนเนี่ยไปบอกว่าหน้าเบื่อมากหน้าเบื่อมากไงแต่จริงๆในความเป็นจริงอนี่ยยังกินอาหารอร่อยอร่อยอยู่เนี่ยเนี่ยมันเบื่อยังไงก็ไม่รู้ใช่ไม่ใช่มันขาดการวิจัยนะใช่ไหมใช่ในคนที่เขาเบื่อจริงๆเนี่ย<แ>เขาประทังชีวิตไว้เพื่อรอวันนั้นจริงๆเลย เขาประทางชีวิตยอย่างนั้นจริงๆนะถามเอาแค่ว่ามีความรู้สึกไหมว่ามีหมาเน่าผูกที่คออยู่ตลอดเวลาแล้วออกไม่ได้อนะ่ะคิดอย่างนั้นได้ไหมทุกครั้งมื่คิดถึงตนเองเนี่ยเป็นหมาเน่าจริงๆเนะี่ยบอกอิดหนาและอาใจจริงๆเลยเนะี่ยถ้าอย่างนั้นก็ให้รู้ว่าสมาธิิเกิดบางครั้งในขณะที่เห็นว่าเป็นความไม่งามเนะี่ยถ้าความงามเข้ามาในขณะนั้นก็ความเห็นผิดเข้ามาครอบงามแล้ว ทั้งนี้เราจะได้รู้เขาเรียกรู้จักนะรู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ไม่ใช่พอรู้จักแล้วก็ยินดีกับความเอาหมานเอาของค้อนนะไม่ใช่ใช่ไหมต้องยินดีต้องเหะพร้อมใจในการที่จะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับจริงๆนะและก็ย่อมไม่มาสู่พบใหม่เพราะความไม่มีไม่มีแห่งภูตั ถามว่าคนที่เขาละราคโทสารมหหาได้แล้วตัดกิเลสเป็นสมุทเฉทถะปัญหาแล้วเนี่ยเขาจะมาอีกไหมจะมาได้ยังไงเขาไม่มีขันที่จะต้องอยู่แล้วใช่ไหมเพราะการมาจะต้องมีมาแบบรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็โอกาสโลกเนี่ยเขาจะรองรับสิ่งที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นแหละถ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับไปแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสโลกตรงไหนจะรองรับได้แล้วมันหมดแล้ว อย่างนี้ที่หมดจริงๆนี้ประนีจริงๆนี้สงบจริงๆนี้ดับจริงๆอันนี้เป็นความดับจริงๆเป็นความหมดจริงๆถ้าอย่างนั้นนะ่เชื่อมันไม่หมดมันก็เหลือแต่ความคิดว่าน่าจะหมดแต่มันยังไม่หมดเข้าใจหไหมทีนี้บุคคลสามจำพวกจําพวกที่มีทิฏฐิวิบัติก็าบอกว่าสามจำพวกเนี่มีทิฏฐิสมบัติ ท่านก็ยกตัวอย่างกันบอกว่าอีกพวกหนึ่งเป็นมีทิฏฐิวิบัติใครมีทิฏฐิวิบัติพวกเดรถัถีสาวกของเดรถัถีแล้วก็บุคคลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีอยู่สามกลุ่มนี้แหละหนึ่งเดรถัถีพวกนี้มีทิฏฐิวิบัติอะไรคือทิฏฐิวิบัติคือความวิบั ต, ติไปของสัมมาทิฏฐินั่นแหละเขาจึงเรียกว่าทิฏฐิวิบัติ เขาให่ยังนี่นแหละเขาเรียกทิฏฐิวิบัติความวิบัติไปของของกรรมมาสตาสมาธิฏฐิความวิบัติไปของวิปัสนาสมาทิฏฐิความวิบัติไปของฌานสมาธิฏิมรรสมาธิฏฐิผลสมาธิฏิปัจเจเวกสมาธิฏฐินี่แหละความวิบัติไปของทิฏฐิเหล่านี้เกิดขึ้นแก่ท่านบูใดเขาเรียกว่าทิฏฐิวิบัติเบื้องต้นกันเนี่ยแรกนี่ กรรมมรตาสมาธิทิมันวิบัติไปอยังถ้าถามว่าใครมีที่มีสมาธิิหรือไม่ก็ไปถามเรื่องกรรมใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยจะต่อวิปัสสนาสมาธิิได้แต่ที่ไหนมันต่อไม่ได้เอายกตัวอย่างนะอามายกตัวอย่างแค่นี้เราจะรู้ว่ากรรมมกตาสมาธิิเนี่ยเป็นยังไงเช่นเห็นว่าสัตว์บุคคลทํากรรม แล้วก็สัตว์บุคคลเป็นผู้รับกรรมอันนี้เป็นทิฏฐิวิบัติอันนี้ไม่มีกรรมสักการสมาธิทิฏฐิเพราะเห็นสัตว์บุคคลทํากรรมและสัตว์บุคคลเป็นผู้รับกรรมนี่ใช่ไหมเช่นมนุษย์ทํากรรมเทวดารับกผลของกรรมอย่างเงี้ยบางทีก็จะไปใหญ่แล้วอย่างเนี้ยแต่ความเห็นที่เป็นสัมมาทัศนะเขาเห็นว่าขันธาตุอยายตนะเป็นผู้ทํากรรมและขันธธาตุอยายตนะเป็นผู้รับผลของกรรม เห็นแต่ทำรรมาล้วนๆเท่านั้นเป็นไปความเห็นที่เป็นเช่นนี้เรียกว่าสัมมาทัศนะเห็นไหมนี่กรรมสกตาสมาธิธธที่ไปเข้าใจแจม่มแจ้งโดยความเป็นสัมมาทัศนะเขาเข้าใจกรรมในภาษาศาสนาเนี่ยคนที่เขามีกรรมสกตาสมาธิธเขาเข้าใจมุมฐานตัวนี้ดีอันนี้ถ้ากรรมภายนอกก็ว่าอีกอย่างนะ แต่ที่ยังสองข้อได้เพราะเขาไม่วิบัติอันนั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีอยู่แต่ถ้าหากเข้าใจนั้นตามร่องรอยของตามศาสนาต้องเข้าใจตัวนี้ด้วยเข้าใจใช่ไหมอันนี้คือในกลุ่มของหนึ่งดรัถี์สองสาวกของเดราถี์สองกลุ่มนี้มีเราอยู่ไหมเราเป็นเดราถีมไหมเป็นสาวกของเดราถีมไหม ใ, <น>ใครคือเดราถี<น>แล้วก็บอกเอาครูทั้งหกใช่ไหมครูทั้งหกก็คือใคร ปุรณะกัสปามาคคริโคสาลาชิตาเกศคัมพลอยไหมแล้วก็ปกุทากัจจายนะสัญชัยเวราพรุทธแล้วก็นิคนนาตบุตรมีแค่นั้นไหมยังมีมากกว่านั้นนี่นะแล้วก็สาวกของเดราถีนั่นนี่สองแล้วสามบุคคลผู้มีมิจฉาทิฐิเราอยู่กลุ่มไหนไม่ยอมรับกันเลยไหนเนี่ย บุคคลผู้มีวิชาทิฐิมีไหมเรามีอยู่ไหมเนี่ยยัง ม, มีอยู่นะสามบุคคลเหล่านี้แหละเขาเรียกทิฏฐิวิบัติสามจำพวกอา้าวต่อไปดูจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นไงใช่ไหมสามจาพวกเป็นคนที่ไม่มีที่มีทิฏฐิสมบัติทิฏฐิเขาไม่วิบัตินะทิฏฐิสมบัติแปลว่าเขามีสมาธิหนึ่งพระตถาคต พระพุทธเจ้าเนี่ยเขาท่านมีทิฏฐิสมบัติบริบูรณ์นะเนาะสาวกของพระตถาคตแล้วก็บุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิบุคคลสามอย่าพวกเหล่านี้เขาเรียกว่าทิฏฐิสมบัตินรชนเหล่าใดเป็นคนมักโกธมักผูกโกธมีความลบหลู่ลามกมีทิฏฐิวิบัติเจ้าเล่เพิ่งรู้จักนรชนเหล่านั้นว่าเป็นคนเลว นรชนเหล่าใดนะเป็นคนไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธไม่ลบหลู่คุณท่านถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์มีทิฏฐิสมบัติมีปัญญาให้รู้จักบุคคลหรือนรชนเหล่านั้นว่าเป็นคนประเสริฐทีนี้ทิฏฐิวิบัตินี่นะต่อทิฏฐิสมบัติสามประการเนี่ยนะในทิฏฐิวิบัตินั้นนะ่ความวิบัติบอกว่านั่นเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเรา เนทิฏฐิวิบัติสามเหล่านี้นั่นเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาหรือเป็นตัวตนของเราเห็นอย่างนี้ไหมอันนี้อทิฏฐิวิบัติมีสามเหล่านี้แหละเหล่าแรกก็พูดถึงตัวมิจฉาทิฏฐินั่นเราเนี่ยแต่มีตัณหาเป็นมูลเหล่าที่สองเราเป็นนั่นก็คือมิจฉาทิฏฐินี่แหละแต่มีมานะเป็นมูล เราที่สามนั่นเป็นตัวตนของเราเก็คือมีทิฏฐิเป็นปัจจัยเก่ยวับทิฏฐินั่นแหละเขาใจอย่างลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิวิบัติสัมมาทิฏฐิเนี่ยวิบัติจากสามสามวิธีคิดนี่แหละถ้าคิดว่านั่นเราเราเว็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราเมื่อไหร่ให้รู้เถิดตอนนั้น ทิฏฐิวิบัติแล้วสมาทิฏฐิวิบัติไปซะแล้วตอนนี้นกำลังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่อย่างเราก็ต้องร่มร่ ม, มดอนดอนใช่ไหมร่มร่มดอนดอนและตอนเนี้ยอมว่าเป็นกันจริงไหมอันนั้นนาฬิกาของใครอะข <laughs> องเรายอมไหม คือคือเราเนี่ยที่เราไปเข้าใจเนี่ยมันมันมันจับจนชํานาญแล้วคือเข้าใจผิดมาจนชํานาญหมดแล้วไม่ใช่ว่าเราไปให้สังเกตไหมทําทไมพระโสดาบันจึงไม่ทันีเพร้อมท่านไม่ได้สําคัญว่านั่นเรานั่นนั่นอัตราของเราเนี่ยนั่นของของเราท่านไม่ค่ยสําทําให้ตัวเนี้ท่านสละสละสลักเข้าใจย่าง พรท่านละทิถีทั้งหมดได้หมดแล้วท่านวิจัยแป๊บเดียวเข้าใจเลยใช่ไหมกระทานจะโศกก็โศกโศกนิดหน่อยไม่ได้โศกภูมิปภูมิปักษ์ใช่ไหมเพราะโศกเพระสภาพของโทสะท่านยังละไม่ได้แต่ท่านไม่ใช่ไม่เห็นผิดเดีท่านไม่ใช่เห็นผิดท่านเห็นถูกท่านเห็นถูกอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าท่านรักท่านผูเนี้ท่านผูนี้มีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแล้วต้องพลากไปในท่านก็เสียใจสิใช่ไหมท่านไม่โศกได้ยงไงล่ะ พราท่านพเนี้ไหมเป็นที่รักมากสามารถมีประโยชน์มากกล่าวอะไรต่างๆได้เยอะพระเจ้ายังบอกดูก่อนอนนนลสารีบุตรเอาศีลขันไปสมาธิขันปัญญาขันนิมุติขันนิมุติยาณทัสนคันไปได้หรือบอกหาไม่ได้พระเจ้าข้าท่านภาษาลิบุตรมีอุปการะมาก ก็คือท่านเห็นคุณว่าท่านระดับอย่างนี้อยู่แล้วมันเป็นประโยชน์ที่ท่านเสียใจจะเห็นตรงนี้แต่ท่านไม่ได้ยึดว่านั่นเรานั่นของเรานั่นตัวตนของเราเข้าใจยังต้องเข้าใจอัตถะความเขาความผิดของท่านให้ชัดเน้อจะไปคิดโอ้พระโสะดาบันยังร้องไห้เราก็ร้องไห้ก็เลยเอาเอาส ม, มาทิฏฐิของปุถุชนไปเที่ยวกับส ม, มาธิฏฐิกับพระโสะดาบันเข้าใจยังว่าเราเนี่ยอย่าไปต้องประเมินตนให้ถูกรู้จักประมาณตน ว่าตนไม่ได้เป็นพระโสดาบันอย่าเอาสมาธิฐีของตนไปเทียบกับสมาธิทีของพระโสดาบันเข้าอย่างยังเรืงนี้มันจะมั่วหมดเลยแต่นี้นัเข้านัเข้าเลยอธิบายว่าพระพุทธเจ้าเหมือนเราธรรมดาอย่างเช่นพระพุทธเจ้าก็พิพตาเหมือนเราธรรมดาอย่างเงี้ยอย่างเข้าใจอย่างเงี้ยเออเลยตายเลยแต่นี้ยอัถฐานต้องชัดใช่ไหยอย่าไปสําคัญดี่ไหสักอย่าไปสําคัญมหาบุรีลักษณะของพระพุทธเจ้า ว่าเหมือนลักษณะของพวกเร า, าเขาจะยังอย่าไปเปรียบเทียบกันเนี่ยทำไมต้องเอาเอาเม็ดถากาศไปเทียบกับภูเขาสีนีรุ่มันเทียบกันไม่ได้เขาจะยังออย่าเอาหิงห้อยไปเทียบกับแสงพรอาทิตย์อย่าไปเทียบก็อย่าหิงห้อยไหมเขาไปดูกันเยอะเขว่าเถยวสมุทรสาคร<อ>ไปดูกลับมามาเล่ามากระฟูเป็นอย่างนี้ด้วย มาอยู่ในป่าเต็มไปหมดหิ่งห้อยเต็มไปหมดกลัวมันจะเข้าหูเข้าจมูกมือไมีเข้าสิมันคานมาดามดีเรานอนอยู่ในป่ากันเนี่ยกฎต้องปิดให้ดีนะอยู่ป่ามันเข้าตามหูตามเลยยังไงคนเราชอบไปดูกันยังไม่รู้อยากโทษของหิ่งห้อยโอ้อาทีนาวะเยอะจะตาย นั้นทิฏฐีนั่นเราในบรรดาสัมมาทิฏฐีที่บอกความเห็นที่ถูกต้องวันนั่นไม่ใช่ของเรานี่แดงทุกข่าวิปัสนาเขาชัดใช่ไหมเนี่ยเราเห็นด้วยความไม่งามก็ชัดเพราะนั่นไม่ใช่ของเราเนี่ยนั้นวิปัสนาญาณเนี่ยชัดมากในด้านของทุกข่าววิปัสนาถ้าเห็นด้วยความมีทุกข์ใช่ไหมเห็นด้วยความเป็นของไม่งามเน่ะ เราไม่เป็นนั่นอันนี้อ น, นิจจานุปัสสนาท่านชัดในนี่กลุ่มเนี้ยนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราหนีอนัตตานุปัสสนาท่านชัดหรือนั่นแหละลักษณะสามท่านชัดถ้าบอกว่าอนัตตานุปัสสนาชัดนะแปลว่าลักษณะสามท่านชัดเนอะท่านชัดต้องบอกอย่างนั้นไตร ล, ลักษณ์ท่านชัดมากกลุ่มเนี้นี่เขเรียกทิฏฐิสมบัติเนี่ยสามกลุ่มเนี้ยก็ลองมาคิดดูว่าเออทุกข์ขาวอิปัสสนาเกิดขึ้นในกระแสใจเราชัดไหม อั น, นิีจานุปัสนาชัดไหมอานาตานุปัสนาหรือว่าไตร ล, ลักษณ์น่ชัดไหมเห็นไตร ล, ลักษณ์มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นอัธยาศัยเลยอ่ะตรงเนี้ยอย่างนี้ก็เรียกว่ากลุ่มทิฏฐิสมบัติทิฏฐิที่ว่านั่นเราคือทิฏฐิอะไรแล้วก็เป็นเป็นทิฏฐิเท่าไหร่นะยทิฏฐิเหล่านั้นตามถือส่วนสุดชนิดไหน ทิฏฐิว่าเราเป็นนั่นทิฏฐิอะไรเป็นทิฏฐิเท่าไหร่ทิฏฐินั้นตามส่วนสุดชนิดไหนต้องจำชัดตรงนี้ด้วยนะนั่นเป็นตัวตนของเราทิฏฐิอะไรทิฏฐิเท่าไหร่ทิฏฐินั้นตามส่วนสุดชนิดไหนฮะไม่เข้าใจเลยใช่ไหมเนี่ยมันเกิดในกระแสะขันเรามาอย่างยาวนานแล้วโมหะก็หลอกปิดทําให้เราไม่รู้จักตนเองใช่ไหมพอไม่รู้จักตนเองเนี่ย ก, ก็ลําบากเลยตอนนี้ย ทีนี้ทิฏฐินั่นเราเนี่ยเป็นปุกพันตานุทิฏฐิคือเป็นประเภททิฏฐิสิบแปดเหล่านั้นน่ะตามถือส่วนขันในดีตกลุ่มพวกนี้ยนะกลุ่มที่มีตัณหาเป็นมูลเนี่ยวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วทิฏฐิแล้วเนี่ยวิ่งไล่ตัณหาในดีแหละทิฏฐิว่าเราเป็นนั่นนี่อปรันตานุทิฏฐินี่ปารลบในส่วนขออนาคตไปเถอะทิฏฐิว่าเราเหล่านั้นตามส่วน ถือส่วนอนาคตทิฏฐิว่านั่นเป็นตัวตนของเราอเนี่ยถือสักกายทิฏฐิเต็มไปหมดเลยเนี่ยยี่สิบที่มีวัตถุยี่สิบนี่แหละมีสักกายทิฏฐิมีวัตถุยี่สิบน่ะรวมเบสเซต์ก็คือว่าหกสิบสองในบรรดามิจฉาทิฏฐิหกสิบสองในพรหมชาลสูตรมีสักกายทิฏฐิยี่สิบนั้นเป็นประธานเป็นแกนหลักอยู่สัตว์โลกทั้งหลายนั้นมาจากไอสักกายทิฏฐิตัวนี้แหละ กรรมทั้งหลายที่เวลาจะส่งผลมันก็ส่งผลให้กับคนที่ยังมีศักยญาติ ท, ทีนี่แหละมันเหมือนตัวซิมที่มันปักเข้าไว้ในร่างกายของสัตว์เนี่ยใช่ไหมเหมือนเวลาเขามันมีเครื่องในกรณีที่เป็นดาวเทียมอะใช่ไหมไอ้ตัวดาวเทียมเนี่ยมันจะสามารถจะกําหนดดูได้เลยนะในปัจจุบันเนี่ยมีคนเข้ามาเล่าไตรมาฟังมีคนคนหนึ่งนะมาอยู่กไตรมาสไงก็ เ, เป็นเอ่า ด็อกเตอร์ที่มาทางด้านนี้ด้านหุ่นยนต์เนี่ยนี่เขาอยู่ข้างๆวัดและต่อมาเนี่ยเขาโดนขมโมยโดนขมโมยผลงานที่สามารถทําหุ่นยนต์ในการเดินได้เนี่ยยังไนคนไทยเราเนี่ยอยู่ข้างๆวัดเนี่ยคนเขาเครียดมากเด็กคนนี้นะอายุสัเกือบสามสิบแล้วไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปอยู่ประมาณสิบกว่าปีเขาบอกว่าเขาทําเขาไว้เนี่ยเขาเสีเผลเสียบไปคอมพิวเตอร์ไว้เงี้ย พวกดึงข้อมูลไปเฉยเลยปั๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีเขาบอกงั้นบอกโอ้โหเสียใจมากเขาบอกว่าก็ไปไปกลับมานี่เหมือนเขาจะเป็นบ้าเลยเขาว่าจะคิดได้เนี่ตั้งสิบ้าปีถึงยี่สิบปีเลยเขาเนี่ยก็มาไปเสร็จพ่อแม่ก็พาไปให้ไปบวชอยู่กับตา마ไม่บวชหรอกไอ้มาบอกอย่าบวชเธอถ้ามีเวลาเพงเดือนเดียวนี่ยบวชเลยเขาหนุนเขาขเขาไปกับตามาไปเนี่ยขับรถไปเขาขับรถไปกับตามาเนี่ยแหละก็เลยบอกโอ้โหเคยสอนคนฉลาดสุดๆไหม เนี่ยมาเจอแล้วคนคนคนนี้ยฉลาดจริงๆคือฉลาดเขาจะคิดอะไรเลยอะ่ะแบบคิดเกินอะ่ะคิดเกินที่เราคิดเป็นคนที่คิดยุไม่มีรูปแบบคิดออกนอกกรอบแต่เขาตายกับความคิดของก้อเลยตายกับยุทธีเนี่ยอามาก็สังเกตเอาปล่อยเขาพร่ำไปเยอะนะนะเข้านะเข้าเนี่ยแต่ตอนนี้ตอนนี้ศึกษาพุทธศาสนาแล้ว mm. ศึกษาแล้ว เอาปรไทยไปโดดไปอ่านดิแต่ไปอยู่ที่ต่างประเทศไปอยู่ที่ญี่ปุน่นเนี่ย ก, ก็เล่าอะไต่อมาฟังไอ้มาเลยมีข้อมูลตรงนี้ <laughs> ไม่ได้นั่งไปว่าหรือขอ้มาก็เอ๊ะไอ้ตัวไอ้มันเห็นกันได้ยังไงใช่ไหม <c oughs> เขาก็บอกอ๋อถ้าเขาสามารถมีตัวเหมือนซิมการ์ดเหมือนอะไรเนี่ยฝังไว้ในันเนี่ยเพางั้นนะ <c oughs> ก็มีดาวเทียมเนี่ยก็จับได้หมดแหละ น้ามาเขาบกโอ้โหนี่เหมือนสักกายทิฏฐิเปรียบเลยน้ามาช่างปรียบเทียบอยู่เลยมาโอ้นี่ที่ที่ เ, เ, อ, ง เ, อ, อ, เองเล่ามาแล้วหมัวทาไมเพราะว่าคนถ้ายังมีสักกายทิฏฐิอยู่เนี่ยกุศลกรรมมันตามเจอหมดเลยทั้งกุศลกรรมและวกุศลกรรมยังตามให้ผลได้หมดเลยเอวิชาตันหากรรมเห็นไหมเอวิชาตันหากรรมโดยเฉพาะกรรมเนี่ย ก, ก็ตามเล่นงานแล้วเขาบอกโอ้อัศจรรย์นนะคําสอนพระเจ้าบอก ก็เราฝังซิมไอตัวสักะยะทิถีเขาไว้ใช่ไหมสังสารวัตก็ไปที่ถ้าถอดสักะยะทิถีได้เหลือแค่เจ็ดชาติเลยใช่ไหมมันถอดได้ใช้ครีมเกาวเพอรีมาร์กน่ะถอดออกให้ได้ถอดออกให้ได้อดออ ใ, ไดใช่ไหมนี่เราอุบายวิธีที่พระเจ้าบอกสอนว่าบอกว่าเป็นอย่างนี้นี่เอง อาศัยอาศัยเขามาอยู่ด้วยแล้วเดี๋ยวนี้เขาเป็นคนเขาเป็นคนเกลียดคอมพิวเตอร์มากเพราะเขาเสียหายเพราะเ <laughs> ขาาไม่อยากมองคอมพิวเตอร์เขาโกรธเขาโอ้โหสรารภกลัจะแก้ความเหม็นก็ได้เป็นเดือนนะโอ้โหเขาเขาโกรธมาแล้วเขาคิดเหมือนเกือบจะบ้าที่มาที่มานะกึ่งบ้าแล้วอเกึ่งบ้าแล้วเขาเขาคิดคิดแล้วออกไม่ได้คิดออกจากความคิดไม่ได้ ก็บอกวางทีเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนนั่งจิบน้ำนิดหน่อยเพียนขนาดนั้นนะกลัวจะทำอะไรได้คิดก็วู้ใจมาบอกโอ้โ oh, ห oh, ทำมาเพียนปฏิบัตินี่คุณแล <laughs> ก็คุณนานใช่ไหคุณเพียนมากเนี่ยตันหาคุณแรงเนี่ยทิศถีก็แรงใช่ถ้าเป็นไปก็สมาธิถีเลยใช่ไหม ตงต้นเกศด้ว่าบางคนไปทําวิญยานิพนธ์เนี่ยที่ไปอยู่กับธรรมาเนี่ยไปทําวิญญานิพนธ์เนี่ยมาเห็นว่าให้มาแนะนําเรื่องพระธรรมกันแน่โอ้โหไม่นอนตั้ทีเลยเนี่ยธรรมะเนี่ยโอ้โหเคไปกระซิบถามมาถามเนี่ยนี่ทินทนขนาดนี้ทนได้สมมาทิฏี่หรือวิชาที่ฐีเเนี่ยเขาไม่เคยรู้ตัวกันหรอกที่ก็ทํางานกันจนตัวเกลียวเลเป็นมาเป็นไปกันวิจัยทิฏฐิโอ้โหเสียดายแท้พลิกกลับไม่ได้ ตรงนี้สักยะทิฏฐิเนี่ยนะเป็นประธานทิฏฐิเหล่านั้นตามถือขันทั้งที่ส่วนอดีตแล้วก็ส่วนอนาคตเห็นไหมทิฏฐิเหล่านั้นตามถือขันส่วนอดีตก็ตามถือขันส่วนอนาคตทําไมพระเจ้าเนี่ยมีสัพพัญญตญาณเห็นไหมข่ายของมิจฉาทิฏฐิเท่าใดข่ายของสัพพัญญตญาณมากกว่า น, นั้น คุมขายของทิถีได้หมดดึงทิถีออกจากกระแสขันขาดอายตนาของสัตว์ได้นั่นคือสัพพัญญุตยานนั้นพระเจ้าก็วางหลักวิปัสนาเลยไหมสมาทิถีมาวางให้ครอบคุมวิชาทิถีเลยนี่เป็นอย่างนี้เอาจะไปเล็กๆได้ไงวิปัสนาใครมาวิปัสนาได้อ๋อน น, น้อันนั้นอันนั้นไม่ต้องว่ากันแล้วดูตรงนี้ก่อน ยียมยอมจะพาอามาออกออกออกข้างนอกมากนันาะาม า, มาจะเสียคนตอนอายุใกล้ตายเนดี๋ยวนี้ต้องระวังตัวอ๋อเข้าใจแล้วเนาะะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เทนี้เกี่ยวกับเรื่องของเต่เตียนมาเลยจำประเด็นไม่ถูกเลยเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวของเก่าขึ้นอะคือตรงนี้นะในด้านของทิฏฐีดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าปรมาจาร์ทิฏฐีเป็นอย่างไรเป็นตัวอันนี้เป็นคำถามนะถามถึงสภาวะสภาวะของทิฏฐีว่าลักษณะลักษณะปัจจุปันพันธสัญญาทิฏฐีเป็นอย่างไร ใช่ไหมพอไปรู <kidnapped zu> <Edge> <S ID muff la> ้รายละเอียดของนี่มิจฉาทิถีเป็นอย่างนี้ลักขณะที่เจตุการของเนี่ยก็ถามถึงลักษณะของมิจฉาทิถีอ๋อถ้าเราต้องการอยากจะล้ามิจฉาทิถีต้องรู้จักใช่ไหมถามว่าลักขณะที่เจตุการของมิจฉาทิถีเนี่ยอมาไปดูในลักขณะที่เจตุการในวิธรรมเนี่ยท่านจะกล่าวเขาไว้ลักขณะที่เจตุการของมิจฉาทิถีเขาไว้บอกว่าทิฐิเนี่ยมีความเห็นผิด เห็นผิดความเห็นที่ไม่ใช่ควาตามความเป็นจริงเนี่ยคือเห็นคลาดเคลื่อนเชื่อมั่นอย่างผิดๆว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าลักษณะสภาพของทิฏฐิเนี่ยนะมีสภาพต่างกันคือตรงกันข้ามกันเป็นปฏิบัติตัวอะไรมิจฉาทิฏฐินี่เป็นปฏิบัติต่อปัญญาตรงกันข้ามกับปัญญาใช่ไหมปัญญานั้นรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริง แต่ทิฏฐินั้นละสภาพที่เป็นจริงเสียแล้วก็กลับไปยึดถือในสภาพที่ไม่เป็นจริงนั้นตัวตัวมิจฉาทิฏฐิเขามีลักษณะอย่างเดียว่คือเขาจะละสภาพที่เป็นจริงเช่นสภาพที่งามสภาพที่สภาพที่ไม่งามสภาพที่ไม่เที่ยงสภาพที่เป็นทุกข์สภาพที่เป็นอนัตตาเขาจะละสภาพเหล่านั้นเขาจะไปเห็นว่างามว่าเที่ยงว่าสุขว่าเป็นอัตตาที่มันละอย่างนี้ เขาจะละเขาจะละสภาพที่เป็นจริงแล้วก็กลับมายึดสิ่งที่ไม่เป็นจริงแล้วอะไรไม่เป็นจริงก็ลองมาพิจารณาที่เรา ม, ามองดูในโลกใบนี้ยแค่พราอเราพอพระองค์วางหลักไว้ตรงนี้เบสเสร็จปุ๊บนี่มนุษย์เราเนี่ยขยายกันไม่ค่อยออกใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นว่างามเนี่ยงามก็คือไปเห็นว่าดีไปเห็นว่ามีสาระของความงามของความสุขของความเที่ยงอย่างนี้นะ ไปเห็นว่าดีอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าไปเห็นว่าผมเนี่ยงามขนนี่งามเล็บงามตาหูยมูุลิ้นกายใจเงี้ยเห็นว่าดีเห็นว่างามเนี่ยเห็นเป็นพอไปเห็นในลักษณะอย่างนั้นขึ้นมาต่อไปเนี่ยมันจะตามยึดถือหมเลยในเข้าในาเข้ า, น, า, ขานี้โอโ้โหสักสีว้างใช่ไหมอัตราตัวตนมาเป็นแถวแล้วใครว่าไม่ได้ใครแนะนําก็ไม่ได้ ตัวตนก็เยอะอย่างเนี้ยนะจะไปมายิ้หมดเลยตัวเนี้ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเชื่อมั่นอย่างผิดผิดมีความยึดถือโดยขาดปราศจากปัญญาเป็นลักษณะเวลาเขาจะไปยึดถือสิ่งใดเบีดเส็จเนี่ยปัญญาหมดสิทธิ์ในการที่จะไปวิจัยเลยเพราะเขาละสภาพของปัญญาเสียแล้วก็ไปยึดถืองั้นความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยมันจะแน่นเลย คือไม่ค่อยสั่งคลายในความรู้สึกในความเข้าใจของเขาเลยลักษณะอย่างเนี้ยดูเขาเอาจริงเอาจังมากฉะนั้นคนที่มีทิฏฐิประเภทนี้แรงๆเนาะเอาจริงเอาจังมีความมุ่งมั่นมากทิฏฐิจริตเนะี่ยดูทิฏฐิจริตเป็นเป็นตัวอย่างเลยมุ่งมั่นมากลักษณะอย่างนี้เขาเรียกละสภาพก็คือยึดมั่นโดยหาปัญญาไม่ได้แล้วก็มีการถือผิดจากสภาวธรรมเนนะนะแล้วก็ยึดถือความความเห็นที่ผิดนั้นด้วยเป็นผลปรากฏ คือก็ถือผิดจากจิตของเขาก็คือว่ามีการถือผิดจากสภาวะธรรมนะถือผิดจากสภาวะธรรมก็ดังที่ได้กล่าวว่าประทัดฐานของเขาคือการไม่เห็นเป็นต้นอย่างที่ได้กล่าวที่นี้นั่นแหละคือทิฏฐิสภาวะเป็นอย่างไรเป็นคําถ า, ถามถึงสภาวะที่ตั้งของทิฏฐินี่มาจากกรรมวิตริตทิทิฏฐิฐานา น, านิถามถึงเหตุถามถึงปัจจัยเหตุแห่งทิฏฐิทั้งหลายมีเท่าไหร่ถามถึงเหตุว่าทิฏฐิเนี่ยเป็นธรรมะที่มีเหตุนะ มีปัจจัยแล้วมีที่ตั้งนะยกตัวอย่างเช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นเหตุเป็นอารมณ์เป็ น, ปนระมนดพระจยยัยงที่ถี่เขาอย่างนี้เป็นต้นเขาชอบมากเขาชอบมากใช่ไหมถ้าเขาได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสเป็นต้นเนี่ยเป็นอารมณ์เนี่ยเขาเขาชอบมากเขาจะยึดอยู่สิ่งนั้เนเข้าไปยึดถ้าหากว่ายึดไปยึดมาสิ่งเหล่านั้นปราศจากไปแล้วแล้วก็ไปยึดอันใหม่ยึดไปเรื่อยๆประการต่อมากุ้มรมคือที่ถีก็คือบอกว่า การถามถึงความฟุ้งขึ้นฟุ้งถามถึงการวิการทิฏฐิทั้งหลายนั่นแหละนะความก้มรมเหงี่งทิฏฐิพอตั้งขึ้น ห, หุ้มห่อจิตเรื่องอำาถึงความฟุ้งขึ้นคือคือสภาพของทิฐิที่มันมีความจากสภาพที่มันอ่ดูที่ว่ามันยังมันบางทีท่านใช้สัพว่านอนเนื่องก็ได้นะบางครั้งนี่นะเพราะอัตวรฏไม่ได้เพราะมีกำลังมากไปต้นนึงก็ว่าไปเถอะแต่สภาพของทิฐิที่มันยังไม่ปรากฏเด่นชัดขึ้นมา ใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นไม่ทถึงขนาดเข้าไปไปทุบไปตีเขาเนี่ยมันก็ยังไม่เด่นชัดขึ้นมาไม่สราบทิศถีหรือบางทีมันไม่แสดงออกมาอย่างรุนแรงบางทีมันออกมาอย่างรุนแรงทั้งกายกรรมวิจีกรรมนี่มันออกมาชัดเลยเงี้ยนะอันนี้แสดงว่ามันมันฟุ้งขึ้นแล้วมันฟุ้งขึ้นแล้วคือมันบอกชัดๆแล้วมันออกมาแล้วเช่นโกรธออกมาแล้วเนี่ยบ่งบอกให้รู้เลยเนี่ยทิศถีมันวิ่งมาแรงแล้วเป็นปริฆานุใสแรงมากออกนะ มันแล่นเลยมาจนกายกรรมวิญญกรรมเป็นต้นแล้วอย่างเงี้ยมันมันมันมันเดือดดาลออกมาแล้วนั้นสภาพของทิฏฐิเนี่ยมันมีกําลังอย่างนั้นมันมีสภาพของเขาละไม่ได้ละออละได้ยากอะ่ะละได้ยากมากระดับระดับที่จะละได้จริงๆต้องระดับอริยมรรคนอกนั้นอะ่ะเที่ยวถางเที่ยวถางนันอยู่นี่แหละใช่ไหมและอย่างหนึ่งก็คือว่าทิฏฐิเท่าไหรนะ่นั้นถามจํานวน จำนวนที่ถี่ทั้งหลายหกสิบสองบวกอีกยี่สิบก็เป็นหกสิบสองนั่นแหละบวกไว้งหกสิบสองบวกยี่สิบเป็นหกสบสองมองหน้าจะมาอีกฮะอ้อาวยังไงกลองนัดีิปุกพันตตะกับิกาที่ถี่สิบแปดอัปรันตะไหมกับิกาที่ถี่อีกสี่สิบสี่รวมเป็นเท่าไหร่แล้วก็สักยะยี่สบ ักยทิฐิอ<า>ีก่สิบเป็นเท่าไร <62. S 1> ใช่มก็กลายเป็นหกสิบสองเขาว่าศักกยะักยทิฐิหรือว่าอัตตาทิฐิยี่สิบเนี่ยเป็นแกนกลางเป็นประธานที่ฟุ้งขึ้นมากลายเป็นทิถฐิเหล่านี้ <Okay. S 1> ใช่มพัฒนาตัวขึ้นมากลายเป็นทิถฐิเหล่านี้ถ้าไม่มีศักกะยทิฏฐิยี่สิบเสียมันจะไม่ฟุ้งออกมาหรอกนั้นคนบางคนปล่อยให้กำเริบหนักแล้วแล้วก็ไม่ยอม ไม่ยอมละมันก็ยังถือมั่นอยู่นั่นแหละอย่าให้มันฟงขึ้นมาตอนนี้ศาสนาทิฏฐิมีไหมอุเฉธาทิฏฐิมีไหมหรือบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงเราไปวิจัยดูบางทีมันมีขึ้นมาอเฮตุกาทิฏฐิใช่ไหมปฏิเสธหตุหรือเปล่านักาทิฏฐิบางอย่างไปเห็นว่ามันไม่มีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ไปว่ากันในรายได้เยอะเลยนะแล้วอย่าลืมนะกลุ่ม น, นักคิดเนี่ยนักคาดคะณีเนี่ยเอาอันมายกตัวอย่าง พอคิดแล้วมันมั น, ม, น, ม, นมันได้อ่ะเช <c oughs> ่นเฮ้เรามีความรู้สึกว่าเราไปตรงนี้เราจะเรารู้สึกเราจะเจออะไรนนเนี่ยแล้วเจอจริงๆอยู่เลยเนี่ยเนี่ยกลุ่มเราเนี่ยมีโอกาสเป็นวิจฉาทิฏฐิเยอะถ้ามาศึกษาวา่าตามรายละเอียดมีโอกาสมากเลยไหมนักคาดโดยดูในพรหมมิจฉาสูตรนี่พวกคิดแล้วมันเกิดเองตามมาเแห่ะพรหมอ่ะแต่ก่อนก็นวิจฉาทิฏฐิไม่แรงหรอก พอคิดมาแม้อยู่คนเดียวทำมีความรู้สึกว่าน่าจะมีใครมาเกิดอีกอ้าวพมโปรโอิตามาไอ้คิดอีกแล้วเดี๋ยวพมพมบริสชามานะเข้านะเข้าโอ้เนี่ยเราเนลมิดว่าเราคิดแล้วเดี๋ยวมาคิดแล้วเดี๋ยวมาเงี้ยใช่ไหมไอ้กรมนั่นก็มาคิดเอจริงอะ่ะต้อมาก็เห็นท่านบู้นี้เป็นเจ้าอยู่เนี่ยนะวังนะนะเข้านะเข้ากนะ็ตามระลึกอีกอ้าวแท้จริงเดินระลึกไม่สุดเห็นท่านบู้นี้เป็นผู้สร้างจริงๆเป็นผู้เนรามิดก็ อ, อ่อนวนกันใหญ่ เห็น ไ, ไหมพวกคาดคะณีพวกเดาพวกอนุมานทั้งหลายพวกคํานวณทั้งหลายเนี่ยใครเรียนพวกคํานวณเยอะๆน่าคิดกัน <Okay. S 1> <laughs> โอ้เรียนคํานวณมากๆแบบว่าทิฏิปัญญาคํานวณซะก็ดีไปอยาให้ทิฏวิไม่ใช่ทีฏฐิคนวณ น, นะถ้าคํานวณออกไปเท่าไหร่เอาปัญญาไปวิจัยกากับเลยนะใช่ไหมจะ ก, การวิจัยให้รอบเพราะคํานวณไว้มากอะ่ะใช่ไหมก็วิจัยให้เยอะงี่เป็นนี้ ย, ยมมองหน้าเหมือนไม่เชื่ออะไรแบบนี้นี่บดตามคำสอนเล่ย <laughs> ์นี่หายอยังมีเข้าใจใช่ไหมนักคิดนักคาดค น, นีแล้วแล้วเคยเป็นไหมะ่ะแต่ก่อนเนี้ยเอามาเอามาคิดนี่ถ้ามันเกิดใช่ไหมกันนึกในใจเราไม่ธรรมดาแลยเราคิดแล้วนเนี่ยแบบเนี้ยอ่าเนี่ยตรงเนี้เราวังไว้จะเป็นนักกลุ่มคาดคณีนนมันอยู่กลุ่มที่สี่ ในบรรดาทิฏฐิมนหลายประเภทนะหลายประเภทคิดว่ามันเกิดคิดว่ามันเกิดแต่ว่าแต่คนมีบุญนะเขาคิดถ้าเกิดจริงนะเช่นที่เขาเนี่ยมะเอายกตัวอย่างพระโพธิสัต์เนะี่ยฝนก็ไม่ตกเกิดเป็นปลาคิดให้ฝนตกก็ฝนตกเนี้ยเนี่ยเนี่ยยากอนไรเงี้ยคนมีบุญอา่าต้องให้เข้าใจว่าเป็นบุญไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นจากการที่เรา มีอะไรพิเศษใช่ไหมต้องเข้าใจอย่างนั้นว่าเป็นบุญคนมีบุญก็คิดได้นะโครงการที่ดํารีอะไรต่างๆได้อนั้นบุญเขาดีต้องยอมรับนะแต่บุญเที่ยงไหมเดี๋ยวตรงนี้ต้องเข้าใจความ ไ, ไตรลักษณ์ด้วยนะคิดได้แต่บุญก็ไม่เที่ยงนะต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยความถอนนะนะทิฏฐิถือผิดนะนะก็ถือประเภทแห่งวัตถุก็ยึดถือรูปคําก็คือว่าใ น, นวัตถุคืออารมณ์ต่างๆในทิฏฐิก็เรียกทิฏฐิปรมาสารูปคําได้ทิฏฐิเป็นต้น การถอนทิฏฐิเป็นเช่นไหนก็คือว่าเป็นการถามถึงธรรมที่เป็นปริปักอุบายการละทิฏฐิทั้งหลายขันน่ะเป็นเหตุเป็นที่ตั้งของทิฏฐิเหตุแห่งทิฏฐิเหล่านั้นก็ย่อมไม่มีเพราะถอนทิฏฐิได้แล้วเพราะเหตุนั้นนะ่ะคนเหล่านั้นจึงจาถูกถอนแล้วเพราะฉะนั้นท่านกล่าวว่าความถอนที่ตั้งแห่งทิฏฐิก็ในกลุ่มของพระโสดาบันเป็นต้นตัวนี้ก็ไปขยายนะขยายในเรื่องของปรามาสาวที่กล่าวไว้แล้วตอนนั้นที่บ่กรูปคําด้วยอํ า, านาจถึงการถือผิด สารีบุตรเทระก็สวิสัชนาสภ า, า, าวะทิฏฐิโดยกิตบอกว่าความถือผิดความรูปคําประกอบอย่างเนี้ยเป็นทิฏฐินะแล้วก็บอกว่าทิฏฐิที่ว่ารูปคําคือก้าวล่วงอาการที่ไม่เที่ยงไปสู่ความเที่ยงก้าวล่วงอาการที่เป็นทกไปไปสู่ความสุขก้าวล่วงความเป็นอัตตานอนัตตาไปสู่ความเป็นอัตตาก้าวล่วงความไม่งามไปสู่ความงามเนี่ยนะอนี่เขาปรามาสาตัว น, นี้ก็ว่ารูปคําคือ โรคคำอะไรโรคาำก็หมายความบอกว่ามีการก้าวล่วงส่วนโรคามอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการยึดถือสิ่งอื่นยึดถือสิ่งอื่นสิ่งอื่นในที่นั้นก็คือยึดถือสิ่งอื่นที่มันพ้นจากความจริงของสภาวธรรมมันไปยึดยึดถือเพราะไปเห็นพบขึ้นมาเนี่ยถ้าตัวมิจฉาทิถีมันไปยึดให้สังเกตอย่างนี้นะว่าถ้าใครตําหนิตําหนิ ก, กรอบที่เราสร้างไว้ ยกตั honestly, who who are, วอย่างว่ากรอบนี้เท่านั้นถูกรูปแบบนี้เท่านั้นถูกถ้ามีใครมาบอกว่าไม่ถูกไอมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันจะเป็นอุปนิสัยป้ายใจแก่โทรสารทันทีเลยบอกโทรสารไปจัดการคนนี้หน่อยเลยอมันจะเป็นอุปนิสัยป้ายใยแก่โทรสารทันทีบอกไปจัดการก็เพราะเขาว่าของเราไม่ถูกมันจะไปเล่นงานเลยปุ๊บปุ๊บปปุปุ๊บเขาจอย่างเข้าไปจัดการเลยเดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้นะอ้าว นยนะนะคุณคุณโค่มาไม่ถูกยังไงวันนี้ต้องโค่นกันให้รู้เรื่องเคยเป็นไหมลนะ่ะนั่นแหละว่าไม่ถูกยังไงเขาเอาต้องคุยกันให้รู้เรื่องวันนี้วันนี้ไม่รู้เรื่องไม่ไม่ยอมหยุดโอไปเลยแต่ยาวเลยงั้นถ้าคนมีทิฏฐิเยอะๆนี่อย่าไปแตะอย่าไปแตะพราะเ้าสร้างกรอบเข้ามาเป็นอาณาจักรแล้วแล้วเขารูปคํำด้วยทิฐิอย่างยาวไกลแล้วเขา เขาเห็นเป็นเป็นอื่นไปแล้วเป็นอื่นจากพระธรรมคำสอนไปสมมุตินี่นะแล้วเขาไปยึดแล้วแล้วมันยึดมั่นไปแล้วนะเนี่ยก็พยายามหาหลักฐานมาใส่ตัวเองไว้หาไว้เอามาร้อมกรอบเขาไว้อย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นผิดอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นผิดไอมาไปเจอตลอดใจครั้งหนึ่งตอนนั้นเหือมาสอนปนัญนาพจน์ย่อๆเนี่ยพอสอน เ, นเสร็จเสร็จ ไป เ, เจอบอกว่านี้เท่านั้นแหละที่ท่านพูดนี้เท่านั้นแหละโตกที่สุดในโลกอย่างอื่นผิดหมดอัมาสะดุดใจตรงนั้นแหละรู้เปล่าอุ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้ e a, จเจริญนิปัสนาอะไรมันยึดกันขนาดเนี้เฮ้ย e เราสอนอิทธาส <laughs> <laughs> ใช่ไหมอันมาก็ตกใจตัวเองไอ้เดี๋นี้อุ <laughs> ้ยอะไรเนี่ยเพราะอย่างนี้เท่านั้นแหละโตกที่สุดในโลกอย่างอื่นผิดหมด <laughs> แล้วไปเถียงกับคนอื่นใหญ่เลยอัมาเอต่าไม่ใช่ตัวอันมานะ <laughs> ที่คนอันมาแนะนําอัมาอุาอ้ย อันนี้ชักไม่ใช่เรื่องแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้มันมันยังไงหนี่ความเอเยใจกันเอเยใจแล้วอูทายแล้วทําบาปไปเยอะแน่มันเห็นไหมพิปัสนามันกลับกลายยิ่งไปยึดเน่อะเอาสิไปยึดรูปแบบอย่มันยึดไปติงติงผิดเลยหาหลักฐานโอ้แต่ก่อนหาหลักฐานใหญ่ไว้ไว้ไว้ฟาดฟันไว้ฟาดฝันโอ้เหนื่อยมากเลยแล้ว แล้วเกลียดสิ่งที่ถูกอ่ะเช่นเวลาจะอ่านไปเจอคําสอนที่ถูกแล้วรีพลิกเลยเลยอ่รีพลิกเลยเลยกลัวตัวเองกลัวกลัวหลักฐานตัวเองอ่อนแล้วเดี๋ยวคนอื่นค้นเจอเขาจะว่านี่มันกลัวขนาดนั้นนะเคยเป็นไหมล่ะเนี่ยขนาดนั้นนีกลัวคนอื่นจะไปค้นเจอตรงนี้ยุ่งไว้เนี่ยเดี๋ยวไหมแล้วมันเริ่มแล้วเริ่มแข่งแล้วตัวเองเริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วเนี่ยเข้าเริ่มแล้วนี่เข้ายอมพระพุทธเจ้าจนได้ยอม โคไปจริงๆเดี๋ยวเจ อ, เ ด, เ, จอเดี๋ยวก็เจอพระธรรมของพระเจ้าจัดการครับกลัวจริงๆไม่อยากเห็นภริยะไม่อยากเห็นภริยะหรอกกลุ่มมิจาทิถีเนี่ยแล้วก็ไม่อยากจะฟังธรรมของภริยะด้วยถ้าไปเจอหลักฐานเขาจริงๆที่จนร้ายตัวเองแล้วโอ้โหแทบสุดเลยใหม่ๆเนี่ยมิจฉาทิถียหาหาทางไปดิ้นอย่าง ดิ้นว ه, มน่มันต้องส่งเคาะได้อ่ะมันต้องส่งเคาะได้ไอ้เช่นอย่างเนี้ยเข้าใจยังเออไม่ต้องหาหาส่งเคาะไอ้ได้เอามาเทียบเคียงให้ได้โออย่างนี้ต้องก่าวอีกไหนหนึ่งก่าวอีกไหนหนึ่งอยู่นั่นแหละพยายามย้ําอยู่นั่นแหละวันนี้ในหนึ่งนะในหนึ่งนะโอ้โหจะเอาถูกให้ได้มิจารที่ถี่มันจะเอามันถูกให้ได้เข้าใจปะ แต่ตรงเนี้ยอภินิเวศะประมาโศภาษาริบุตรในเทระวิสัชนาสภาวะอย่างทิฏฐิโดยกิดเนี่ยเขาโดยกิดก็คือถือผิดและความรูปคํามีประการอย่างนี้ก็คือให้เห็นหน้าที่การงานของเขาว่าตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะเป็นยังไงที่ท่านใช้คําว่าตีนีส้สตังเนี่ยที่สอบนี้แปลว่าไงเนี่ยตีนิสตังเนี่ยตีนี้สตังสามร้อยเนี่ยใช่ไหมใช่แล้ว ตีนี้จะตังเน่สามร้อยสามร้อยอ๋อคืออย่างนี้ขันห้าคือจิตการงานของการงานของพวกทิศถีทั้งหลายเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนบ้างมันไปเห็นผิดในอะไรบ้างหน้าที่ของเขาเนี่ยมันจะไปนู่นแหละไปรูปคำไปยึดถือขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็อายัตนาสิบสองนับไปหีตัวเนี้ย ใช่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมเนี่ยนะแล้วก็จักขูประาโสตประสาทคณะประสาทจิมภาประสาทกายาสประสาทแล้วก็มโนกิจัยเนี่ยนะแล้วก็วิญญาณ6กจักขูวิญญาณโสตวิญญาณคะวิญญาณจิภาวิญญาณมโนวิญญาณแล้วก็ภาษา6จักขูสัมผัสก็ไล่ไปแล้วก็จักขูสัมผัสเชาเวทนาอีก6เวทนา6นี่นะสัญญาหฮะสัญญาหท่องได้รูปปัสสัญญาสัทธาสัญญาไป สันเจตนาหกรูปปะสันเจตนาเป็นต้นตันหาหกรูปปะตันหาวิตกหกรูปปะวิตกเป็นต้นนะรู ป, ปะวิจารณ์เป็นต้นท่าหกท่าหกนับยังไงนไะปัทวีไหมนับไงเนี่ยปัทวีอาโปเตโชวาโยอากาศธาตุวิญญาณธาตุนี่นะแล้วก็กรสินสิบกระสินสิบนะ ปัทวีกาเกษินเป็นต้นแล้วก็โกฏทาสาสามสิบสองเกสารวมมานะคะอายตนาสิบสองท่าสิแปดอินทรีสิบห้าอินทรีสิบห้าเว้นอนัญญาตัญญามีตินีอัญญีนีอัญญาตาวินีเว้นโลกุตระอิ น, นนะทรีไปเสียท่าตอีกแล้วก็ปฏิจจปฏิจจสิบสองรวมเป็นร้อยเก้าสิบสามนับนับที่ตั้งอีกแปดความก้มรวมอีกสิบแปดแล้วก็ทิฏฐิสิบหกที่นับไปนะทิฏฐิย่างใหญ่อีกสามรวมเป็นเสร็จก็ นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราและทิฏฐิหกสิบสองรวมเป็นสามร้อยพดีเนี่ยนะเนี่ยสามร้อยพดีตรงนี้แหละที่มิจฉาทิฏฐิมันครอบงำไว้หมดแล้วการทั้งหลายถ้าปัญญาไม่วิจัยสิ่งเหล่านี้แล้วจะถอนทิฏฐิยังไงอาจจะถอนอยังไงธรรมะสามร้อยเนี่ยมิจฉาทิฏฐิมันครอบคลองไว้หมดแล้วและธรรมะเหล่านี้มันอยู่ในขันเนี่ยแล้วเราวิจัยบางยัง ใช่ไหอันนี้คืออารมณนะหรือที่ตั้งของทิฏฐินี่คือกิจการงานของทิฏฐิที่เขาไปยึดไดยหมดแล้วเบ็ดเสร็จแปลพื้นที่เหล่านี้เขากินเรียบแล้วปัญญาทำยังไงวิปัสสนาปัญญาสรุปแล้วในขันธ์อาราิยตนะทั้งหลายเหล่านี้รกชัดคือทิฏฐิเต็มไปหมด นามคือทิฏฐิตอคือทิฏฐิใช่ไหมเหวคือทิฏฐิกันดารคือทิฏฐิเสี้ยน้ําคือทิฏฐิมันขึ้นเต็มไปหมดพระตถาจารย์อุปมาเลยใช่ไหมในมหาจตารีสกสูตรอุปมาเหมือนวิปัสนาภูเรจาริกเหมือนกับอุมาคนถางป่าใช้มีดใช้ของมีคมถางถางเป็นกองก็เผาใช่ไหมถางแล้วกองเผาเพื่ออะไจะปลูกก้าวก้าพืชพันธุ์ต่างๆลงในนานั้น นี่เราจะเออลียมักประชุมลงในกระแสะขันาธาตุไม่ได้ตอนนี้เพราะโรชัดคือทิศถี่มันเต็มไปหมดยังไงคุณหมอเป็นอย่างนี้ตรงนี้ท่านถึงบอกว่าทิศถี่นี่แหละตรงนี้ท่านก็มาขยายบอกว่าทิศถี่ในรูปคําด้วยการถือผิ ด, ดว่านั่นของเรารวบคําถือผิดว่าเราเป็นนั่นรวบคาถือผิดบอกว่านั่นเป็นอัตตาเป็นตัวตนของเรานั่นของเราหมายคําว่านั่นนะคือเอตังนีะเป็นคำที่ทั่วไปนะ ทำทั่วไปเป็นนัานปุงสกัดลิงเป็นเอกวจชนะวันนั่นเวทนาของเรานั่นสังขารของเรานั่นรลกของเรานั่นวิญญาณของเราใช่ไหมก็ว่าไปท่านเพ่งถึงสิ่งที่ควรกล่าวยิงทําเป็นบางทีก็บอกวันนั้นเนี่ยเอโสทีนี้ก็มาเป็นในเป็นเป็นเป็นปุงลิงก็ได้นะเป็นปุงลิงก็ได้ฉันคำว่าเอตังมาม่านั่นของเรานี่เป็นทิศทีที่มีความสําคัญด้วยอำนาจของอะไรเป็นมูลนะ ตันหาเป็นมูลบอกไปแล้วนะเราเป็นนั่นในเอสโอมัสมิศัพบเนี่ยนะเป็นทิฏฐิที่มีความสําคัญเดิหน้าตอะไรเป็นมูลมานะเป็นมูลนะคาว่านั่นเป็นตัวตนของเราเอโอมีอัตตาเนี่ยมีความสําคัญผิดมีอะไรเป็นมูลก็ตัวทิฏฐิตั่งเองเนี่ยท่านก็กล่าวนั่นนั่นเป็นเราเป็นความดาริบางกลุ่มนะถ้าไปเจอที่สูตรต่างๆจริงๆถ้าจะทำเป็นชุดออกมาเลยนะในพระสูตรในพระไตรปิฎกต่างๆเนี่ยประมาณหกชุด ศัพท์คำว่าเอตังมะมะเอโซมาสมีเอโซมีอัตตาเป็นต้น um ah นะแล้วก็จะไปบวกกับคำว่ามังหังการมังการเป็นตะ้นอะไรเนี้ยส่วนรายละเอียดจะมาจับกันตรงนี้เนี่ยเอาไว้ไปคุยกันตนัวตัวใช่ไหมมันรายละเอียดเยอะรายละเอียดเยอะตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะกลายมานั่งว่าศัพท์กันก็ขยายศัพท์เอาองค์ธรรมมาจับอะไรแ ต, ะแต่ละชุดแต่ละชุดเนี่ยมันเป็นเรื่องแต่สรุปให้เข้าใจที่ไม่ยากไงนะตรงนี้ตามพระอาจารย์อาจารย์ที่ว่าตามมาเนี่ย นั่นเป็นเราเป็นความดาริด้วยด้วยมามังการถือว่าเป็นของเราเนี่ยนะเราเป็นนั่นก็บําริด้วยอาหารการถือว่าเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราก็ะยึดถือตัวตนดําริด้วยอาหางการและมามังการรวมกันจัดลําดับอย่างนี้นะทีนี้ลําดับแรกก็คือว่าอันแรกที่บอกว่านั่นน่ะนั่นนั่นของเราเนี่ยความตั้งมั่นมีตระหาเป็นมูลอยู่ไหมนี่จับประเด็นตรงนี้ก็ว่าแล้วก็ความยึดถือมานะโดยมานะประการที่สองถ้ายึดถือด้วยมานนะ ที่บอกว่าเราเป็นนั่นเนี่ยนะอันนั้นเป็นยึดถือได้มานะที่มีมานะเป็นมูลอันแรกตันหาเป็นมูลอย่างที่สามทำเออตรงนี้ก็คือบอกว่าความยึดมั่นตัวตนด้วยมีตันหาเป็นมูลและยึดมั่นด้วยมีมานะเป็นต้นจากที่สามก็คือว่าเอาทั้งตันหาเอาทั้งมานะมาบวกกับทิศอีกทีหนึ่งเลยกลายเป็นนั่นตัวตนของเรามันเลยแรงขึ้นไปอย่างนี้อีกใช่ไหม นแลตัณหามานะทิถีเข้าใจใช่ไหมไออันแรกนะคือตัณหาแต่ตัณหาเป็นมูลอันที่ก็คือแต่เอาทิถีเป็นตัวตั้งนะเพราะคําว่าธรรมะที่ขยายว่าตาเนี่ยคือตั้งให้ถูกว่าเอาทิถีตั้งเอาทิถีเป็นแกนก็ไว้อันแรกนะคือเอาอะไรเอาตัณหาเป็นมูลอันที่สองเอามานะเป็นมูลอันที่สามเอาตัณตัณหามาณทิถีแต่เอาตัวมานณเก่า ตัญหามาเป็นมูลของทิฏฐีอีกทีเลยไงนะมันจะได้แนงลงไปอีกว่าเนี่ยมันมันยึดอย่างเนี้ยว่ายึดมันในทิฏฐีเอย่างเงี้ยนั้นถ้าไปเจอสาวบอกว่าเอตังม้าๆนี่ <Yeah. S 1> โอ้โหเนี่ยไอตัวราคาเนี่ยตัวโลพาเนี่ยเป็นมูลของของทิฏฐพวกเราเป็นนั่นขึ้นมานี่มานั่นเป็นมูลของทิฏฐียังไงแล้วก็นั่นเป็นตัวตนของเราเนี่ยตัญหากับมานะ่มาบวกกับทิฏฐีก็อีกโอ้โหที่หนักนั่นก็อีกนะจะได้เห็น จะได้เห็นของเขาว่าแม้ต้องใช้คี ย, รรย์มาระดับปริยมักยิงยิงตอนได้จช่ไหมยาของเล่นเล่นไหมที่เทียไม่เล่นเลยเขาตอกหลักแล้วเขาตอกหลั ก, กไว้ในกระแสขันธาตุยตชนะอย่างหนาแน น, นแล้วจะว่าไงท้อไหมอ๋อเนี่ว่าท้อ่งางธรรมะต้องไม่ทอ้อใช่ไหมคือ ที่จริงถ้าไปพูดถึงปัญญาเนี่ยเราจะเรื่องโอ้โหมันใหญ่ปัญญาแรงกว่านี้เยอะอะไรเงี้ยนะอันนี้พูดได้เห็นโทษของเราโทนปัญหานิปการต่อมาก็คือว่าในข้อแรกว่านั่นเป็นเราเนี่ยเป็นความไม่เห็นลักษณะที่เป็นทุกข์ของสังขารทั้งหลายไม่เห็นสังขารว่าเป็นชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกข์โศกเกิดไปดิเดวะทุกข์กฐมรณะสารเลวบายาตความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ ความสอความลำลายลําบันความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายเพราะนั่นของเราเนี่ยแรงไม่เห็นทุกขลักษณะของสังขารที่เป็นไปในภูมิสามใช่ไหมนั้นคนที่มีตัณหาเป็นมูลของทิฏฐิเนี่ยไม่มีทุกขานขาุปัสสนะเขาไม่เห็นทุกของสังขารนั่นเองเป็นข้อแรกในข้อที่สองเราเป็นนั่นเนี่ยไม่เห็นลักษณะที่เป็นของไม่เที่ยง ไม่เห็นอันนี้จะลักษณะเห็นความแปลไปเสื่อมไปสิ้นไปสลายไปของสังขารในภูมิสาไม่เห็นเลยอะพอบอกสังขารในภูมิสามอย่ามองเลยนั้นแม้ในภูมินี้มองให้หมดก่อนเนาะสังขารที่เป็นไปในภูมิเนี้ยเราไม่เห็นอันนี้จะลักษณะของสังขารในภูมินี้อันนั้นก็เข้าไปบอกว่านั่นเราเป็นนั่นส่วนว่านั่นเป็นตัวเป็นตนของเราเพราะอะไรยึดมั่นตัวตนเป็นเหตุไม่เห็นไตรลักษณ์ทั้งหมดเลย ไม่เห็นไตรลักษณ์ของสังขารเลยโดยเฉพาะไม่เห็นหน้าตาเป็นต้นหนึ่งไม่เห็นอนิจจังทุกครั้งหน้าตาก็เลยเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยใช่ไหมเพราะอะไรสังเกตดูนะทิศทีแล้วก็มีมานากระตันหามาเป็นมูลใช่ไหมก็คือไม่เห็นไตรลักษณ์ทั้งหมดนั่นเลยไม่เห็นอนิจจังทุกครั้งหน้าตาท่านก็เลยมารววานั่นเป็นตัวตนของเราใช่ไหมก็คือไม่เห็นไตรลักษณ์นั่นเองนี่เป็นอย่างนั้นประการต่อมาทีวิจัยลงไปอย่างเนี้ ตามได้ไหมตาม ไ, ตามได้นะตามได้ใช่ไหมนึกว่าตามไม่ได้จะได้พอแค่นี้แล้วเนี <c oughs> ่ยจะเป็นประโยชน์ตรงไหนหรู้ไหมแล้วจะตามลึกลงไปนี่นะแล้วจะไปเห็นวิปัสนาญาณเป็นไปในการสามอย่างไร <c oughs> นี่มันเป็นประโยชน์ตรงเนี้ใช่ไหม <c oughs> ต้องบอกอย่าแปลกอย่าแปลกนะว่าไอ้ทําไมพอตามตามไปแล้วเราจะไปเห็นตรงนั้นเนะ่ะบางคนไม่กล้าตามนะ้ แตไมนก่อนอาจมาไม่กล้าตามมุมนี้เนี่ยกลัวกลัววิปัสนาของเราผิดทียังไงตอนนั้นนะถ้าตามตามไปเราจะเห็นเห็นพระธรรมของพระเจ้าความยึดมั่นในตัวตนนะวิปัาสาดมีเท่าไหร่มี่สิไหมพวกสุภาวิปาัาสการสุข่าวิปัาสเนี่ยมันอยู่ด้วยกันฉะนั้นความยึดมั่นเนี่ยเนี่ย ความยึดมั่นที่บอกว่านั่น น, นันั่นของเราเนี่ยนั่นของเราเนี่ยเพราะยึดมั่นตัวตนผู้ที่ถึงวิป ร, ราชวิป ร, ราชในความเห็นในสิ่งที่มันทกไปเห็นด้วยความเป็นสุขมันวิ่งเลยไปทั้งๆที่มันทกใช่ไหมสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เนี่ยเราก็เห็นวิปราชเป็นสุขที่สังขารทั้งหลายมันไม่งามเนี่ยเราก็เห็นเป็นของงามใช่ไหมไอ้ควำว่านั่นน่ะนั่นของเราอ คำว่านั่นของเรานั่นของเราที่มีตัณหาเป็นมูลนี่แหละมันก็จะตามไปเห็นสุขตามไปเห็นงามมันก็เลยเลยเลยทุกใช่ไหมวิ่งเลยทุกไปไปเห็นด้วยความเป็นสุขวิ่งวิ่งเลยอาสุภาไปไปเห็นด้วยความเป็นสุภาเป็นของงามนี่ในข้อแรกเนียนั่นคำว่านั่นของเราเนี่ยมันวิ่งเลยไปถึงนน้นเห็นไหมเพราะว่าการวิจัยโดยกายานุปัสนาไม่ปรากฏใช่ไหม กับเวทนาไม่ปรากฏเนี as as it was, it was cherry, to to ่ยก็เห็นด้วยความเป็นสุขก็เห็นด้วยความเป็นของงามไปข้อสองที่บอกว่าเราเป็นนั่นเนี่ยยึดมั่นตัวตนผู้ที่มีวิปรารหรือคาดเคลื่อนเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงมาเป็นของเที่ยงมันวิ่งเลยไม่เที่ยงไปไปจับว่าของไม่เที่ยงแไปไปจับว่าของเที่ยงไปเลยนี่นั่นเป็นตัวตนของเรายึดมั่นตัวตนถึงความวิปรารถนะวิปรารทั้งสี่อย่างเลยนี่ยข้อข้อสุดท้ายนี่นะนั่นตัวตนของเรา วิปลาติเห็นว่างามเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าสุขเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนไปเลยอีกประการหนึ่งก็คือว่าคำว่านั่นของเราเนี่ยเป็นความดำริถึงอาการแห่งปุเพนิวาสาสยานถามว่าที่จะละปัญหาจริงๆมันก็คือว่าเพราะไม่มีปุเพนิวาสานุสติยานนี่แหละ เพราะไม่มียานไม่มีสยานที่เป็นไปกับสติที่ตามรลกชาติทุนหลังได้นี่แหละมันจึงมีประเภทแรก่ะนั่นนั่นของเราเนี่ยทั้งความดําริดถึงอาการความเป็นไปแห่งปุพเพนิวาสานุตยานใช่ไหมทั้นคนที่มีปุพเพนิวาสารนิตยานเนี่ยเขาจะไม่สําคัญแล้วใช่ไหมว่านั่นของเราด้วยอํานาจแห่งตันหาเป็นมูลของทิฏฐิที่วิ่งแล่นไปในอดีต แล้วก็ไปเข้าใจผิดในอดีตที่ตันหาใช่ไหมมันอยากจะรู้ในอดีตเนี่ยอยากจะรู้ในอดีตทิศถีก็ไปจับอดีตผิดอเีเพราะมันแล่นไปด้วยอํานาจของตันหากับแล่นไปด้วยอานาจของทิศถีนั้นขอบขายของปุเพนิวาสารนสิยานไม่มีใช่ไหมมันก็แล่นไปผิดที่มันได้แต่ละลึกชาติได้แต่มันไม่มีวิปัสสนาญาณในการแล่นไปในอดีตก็เลยถอนความเข้าใจผิดในสังขารในส่วนสุรที่เป็นอดีตไม่ได้ มองเห็นยังก็วิบัติษณายานไม่ทำกิจแต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายนะหรือสาวกของพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยเข้าใจพระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงว่าอาดีตมีใช่ไมพบชาติมีขันความเป็นมาของขันธ่อริยตนะในอดีตเป็นต้นมีเพราะเข้าใจจากเหตุผลที่ศึกษาเข้าใจตามความเป็นจริงตรงนั้นก็วิจัยแล้วก็ละความเห็นผิดในอดีตอะ ละความเห็นผิดในอดีตได้โดยเฉพาะท่านที่มีบทเพลนิวาสานุติยานตามพระรัชกาลได้แล้วไม่ต้องพูดถึงวิปัสนาญาณ ท, ท่านท่องเที่ยวโดวยสรุปก็คือบุคคลที่จะได้ญาณสามเนี่ยวิปัสนาญาณเขาช่ำชองถ้าไม่มีปัสนาญาณช่ำชองก็เป็นไปด้วยน่านของมีตนาเป็นมูลวิ่งท่องเที่ยวไปในทิศที่สิบแปประเภทแค่นั้นเองความดําริอีกอย่างหนึ่งข้อที่สองเราเป็นนั่นก็คือดาริ เพื่อจะได้ที่ไปจักขู่ที่ไปจักขู่ญาณในนาคตนั้นความดำริในลักษณะอย่างนั้นก็คือหมายความว่าดำริไปเหอะนักคิดทั้งหลายเนี่ยคิดไปเหอะสร้างไปสิถ้ามีวิปัสสนาญาณมีตัวนำร่องนะในที่สุดจริงๆก็จะเกิดมิจฉาทิฏฐิในอปรันตะกับปิกาทิฏฐิเท่านั้นเองฉะนั้นถ้าวิปัสสนาญาณไม่เกิด อย่าได้คิดเรื่องการละลึกชาติหรืออย่าได้คิดในการจะไปดวอนาคตเพราะมันจะไปแบบคนตาบอดเดียวถี่อะละลึกไปสุดๆก็สี่สิบกัอบแต่ก็สี่สิบกรับนั้นก็ไปอย่างคนตาบอดเพราะไม่มีวิปัสสนาญาณเป็นตัวนำล่อง ในที่สุดจริงๆก็ไปเห็นด้วยความเป็นโคตรเป็นชื่อเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขา้ยนั่นของเราเราเป็นนั่นๆเป็นตัวตนของเรามันก็จะตามแผ่คุมไปในอนาคตฉะนั้นเพราะการไม่มีปู้เผยนิวาสานุตยานผู้มีเพราะไม่มีจุตูปปาตยานที่มีวิปนายา น, นำหน้าอย่างพุทธเจ้านี่แหละเห็นไหมอย่างทีนี้ประการต่อมาก็คือว่า ความยึดมั่นตัวตนผู้อาศัยตำริในในธรรมทั้งหลายเป็นในส่วนอดีตและอนาคตลักษณะอย่างนี้ก็เพราะอิทัปปจิยตาสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีและปฏิจจโนบัตก็หมายความว่าเห็นไหมเพราะความที่อาวิชาปัจญญาสังขารสังขาระปัจยาวิญญาณวิญญาณปัจญานามารูปังเป็นต้นนามารูปปัจญายาสลายตนนางสลายตนนปัจญายาผัสโสภาษาปัจญาเวทนาเวทนาปัจญาตัณหาตัณหาปัจญา พระโพราะว่าปฏิยาอุปาทานนังนะีะย อ, อพระว่าปฎิยาชาติชาติวะชะรามานันังเป็นต้นโสกบริเรวทุกทมนัสอุปาญาตเนี่ยมันก็เลยเป็นอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมเวลามิจฉาทิฏฐิีมันก็วิ่งไปตามปฏิจจปฏิยาการเนี่ยอิทัปปิยาตาเนี่ยไอ้ความเห็นผิดมันก็ไปอย่างเงี้ยก็เล่นเลยไปแล้วก็แทงตลอดปฏิจจาไม่ได้แทงตลอดขันธาตุอายตนะเป็นเป็นต้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่านั่นเป็นตัวตนของเรา เอาวิชากับตัวเราสังขารกับตัวเราวิญญาณเป็นต้นไหมไม่เคยวิจัยอวิชาในความเป็นอริยสัตว์ได้เลยสรุปแล้วก็คือเห็นขันก็คือเห็นเราเนั่ยแหละสืบต่อกันก็คือนั่นแหละเราสืบต่อกันไปบ้างเราขาดศูนย์บ้างเป็นต้นใช่ไหมโดยมากก็เราเนี่ยขาดศูนย์สตัตว์ตายแล้วขาดศูนย์บ้างสาตัตว์ตายแล้วมีสัญญาบ้างไม่มีสัญญาบ้างก็ว่าไว้เฮติดเนี้ยเพราะโทษไม่เห็นตามความเป็นจริงของปฏิจจสมบาทิเ่็นไหม เห็นแต่มันเกิดเมื่อไรแต่ความดับของปฏิจจค ก, ก็ไม่เห็นอย่างนี้ไป็นต้นนั่นนึงนี่ประกาศแหละอีหยางความยึดมั่นตัวตนของบุคคลผู้คํานึงถึงอดีตด้วยความพอใจใช่ไหมมีตัณหาเป็นมูลไหมนึกไปท้ทีนั่นนึกถึงอดีตเนี่ยมีตัณหาเป็นมูลไหมทิศทีละเลิกตัณหาพอใจมีตัณหาเป็นมูลบุคคลหวังอนาคต ด, ด้วยความพอใจใช่ไหมนี่มานะ ในข้อสอง น, ะนั่นเป็นอัตราของเรามานะเป็นมูลของทิฏฐิถามว่ามาณน้าเกิดร่วมความพอใจไหมนั่นแหละความพอใจในที่นั้นท่านเอามานะนะี่เป็นแกนหลักนะนั้นว่าโลภะเกิดพอใจแต่มานะก็ชื่อว่าพอใจไปด้วยในข้อที่สองอีกอย่างก็คือบอกว่าของบุคคลพวกงอนแงนในธรรมะ ท, ที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเห็นเป็นตัวเป็นตนนั่นแหละไปเข้าในไหนไปดึงพัทเทกราตสูตรมามาจับในทิฏฐิตรงนี้ในมัชฌิมานิกาย มัธยมานิการเริ่มเนี้ ย, เ, ยเริ่มเลยมัธยมบันาลเออเริ่มที่ไรนะเอายีิบสามในประเทกราตสูตรในเริ่มยี่บสามอะในเริ่มที่ยี่ิบสามนี่จะไม่เข้ากันว่าทําไมพระเจ้าถึงแสดงใช่ไหมเอตังมะมะเอโสมะสมีเอโสมีอาตาก็คือเอตังมะมะเนี่ยแสดงถึงความยินดีเพิดเพลินเริ่มหน้าแห่งตัณหาในอดีต ใช่ไหมนั่นแหละในพระเทกราตสูตรนั่นแหละต้อาตรงนี้ไปจับเพราะว่าอัจฉริยพระพุทธโคสระท่านอธิบายตรงนั้นย่อเอาไว้ท่านอธิบายตรงนั้นอธิบายเกี่ยวในเรื่องของความว่าไอ้ที่ว่าเกี่ยวในเรื่องของความยินดีเพลิดเพลินในเรื่องหน้าถึงตัญหาทังที่ได้กล่าวเนี่ยที่บอกว่าของบุคคลผู้หวังอของบุคคลผู้ยึดมั่นเน่ยบอกว่าบุคคลผู้คํานึงถึงอดีตด้วยความพอใจใช่ไหมบอกว่าไม่พึง คำนึงถึงอดีตที่ล่วงมาแล้วข้อนั้นนะ่ะคือคืออะไรคือทิฏฐิที่มีตัณหาเป็นมูลอย่าไปคำหนึงถึงอดีตด้วยทิฏฐิที่มีตัณหาเป็นมูลแล้วก็ไม่พึงมุ่งหวังถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงอันนั้นหมายความว่าไปคำหนึงถึงทิศด้วยอหนาาในทิฏฐิที่มีมานาเป็นมูลแล้วก็งอนเงี้ยนใช่ไหม มีความเห็นผิดในธรรมะที่เป็นปัจจุบันน่ะก็หมายความว่ามีความงอนแงนกอนแคลนในในปัจจุบันของบุคคลผู้งอนแงนในธรรมะที่เป็นปัจจุบันนั้นหมายถึงว่าทิฏฐิที่มีตัณหาและมีมานะเป็นมูลก็อย่างยานแต่นี้นี่ตรงนี้จะได้มาเชื่อมโยงกันได้ว่าโอ้จริงๆท่านพูดเพื่อให้ละตัณหามานะทิฏฐิอย่างไรและปารบส่วนสุด เบื้องปลายอย่างไรเบื้องต้นอย่างไรท่ามกลางอย่างไรเข้าใจอย่างเดีเ น, นี้ไอ้นี้หมดเวลายัางแลอ๋อหมดแล้วแต่หมดเวลาเดี๋ยวจะไม่ทันทไปที่นูน่นอันวันนี้ก็ส้องควาแกเวลาแล้วนะก็มรดนากขาพวกเราด้วยต่อไปก็เด้าวาดพระกัน ครังสัมมาสัมพุทธบรรกวะโคตันบรรวันตังอาภิเษกตาวาคาโตบรรกวัตตาโมทามนัสสารสุปฏิปันโนมคาวาโตสาวาคาสังโฆสัง อย่ลืมอุทิศส่วกุศลในใจนะให้กษัตริย์ประศัตรทั้งหลายด้วยฟังธรรมแสดงธรรมสาธยายธรรมพระเจ้าเป็นบุญที่ใหญ่บุญที่สูงอุทิศส่กุศลบุญส่ว น, นกุศลใหกษัตริย์ประศัตรทั้งหลายในสากลจักรวาลเป็นต้นด้วยแล้วก็ทางจิตอธิษฐานเป็น ป, ปัจชัยคือการบรรลุมรรคผลสาธุสาธุสาธุเอาเอ า, เอาตัว